ตโยมสาธุชนทุกท่านผู้ใฝ่ศึกษาธรรมทั้งในห้องประชุมใหญ่แห่งนี้และในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายแ ก, แก่แล้วอีกไม่นานก็จะค่ำมืดบางทีไล่ ก็ต้องถามตัวเองว่าตอนนี้ชีวิตของเราอยู่ในช่วงบ่ายหรือเปล่าหรือว่ากำลังจะอยู่ในช่วงพบคำ่ำพิจารณาแบบนี้นะก็มีประโยชน์เพราะบางคนเนี่ยแม้จะยังมีอายุไม่มาก ยี่สบสามสิบแต่ว่าชีวิตอาจจะยังอยู่ในช่วงอาจกำลังอยู่ในช่วงพลบค่าก็ได้ก็หมายความว่ากำลังจะละจากโลกนี้ไปเราไม่มีทางรู้หรอกว่าชีวิตของเราตอนนี้ในช่วงไหนช่วงเที่ยงวันช่วงบ่าย หรือว่ากำลังจะพบคำแม้ว่าอาจจะมีอายุเพียงแค่สิบปีสิบห้าปีก็อย่าไปนึกว่าเรายังมีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้อีกเยอะเมื่อเราพิจารณาถึงชีวิตของเราโดยความไม่ประมาทโดยความสำเนีกว่าชีวิตของเรา อาจจะกำลังอยู่ในช่วงบ่ายแก่ๆหรือพบค่ำก็น่าจะถามตัวเองต่อไปอีกว่าเราได้เคยประสบพบกับรุ่งอรุณของชีวิตบ้างหรือเปล่ารุ่งอรุณของชีวิตมีความหมายสองแง่พูดอย่างอาจารย์พุทธทาสก็คือ มีความหมายในแง่ภาษาโลกกับภาษาธรรมถ้าเป็นภาษาโลกก็หมายความว่าคือวัยที่ยังเป็นเด็กวัยดรุณวัยหนุ่มวัยสาวอันนี้เราเรียกว่าวัยอรุณของชีวิตแต่ถ้าพูดถึงภาษาธรรมแล้วแม้จะยังเป็นหนุ่มแม้จะยัง เป็นสาวอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้ผ่านพบประสบกับรุ่งอรุณของชีวิตเลยรุ่งอรุณของชีวิตในความหมายที่เป็นภาษาธรรมก็หมายถึงการที่ชีวิตได้ออกจากความมืดและกำลังเคลื่อนสู่ความสว่างความมืดในที่นี้ หมายถึงความทุกข์หมายถึงการจมอยู่ในความหลงใครที่ยังจมอยู่ในความทุกข์และยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็ถือว่ายังอยู่ในความมืดอยู่ยังไม่ประสบพบกับรุ่งอรุณของชีวิต ใครที่ยังอยู่ในความหลงมีโมหะครอบงำก็ยังเรียกว่าได้ประสบพบกับรุ่องโกรของชีวิตหาได้ไม่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนที่ให้ความสำคัญของ การเปลี่ยนผ่านของชีวิตโดยเปรียบเทียบกับรุ่งอรุณเวลาพูดถึงรุ่งอรุณเนี่ยลักษณะหนึ่งที่มันเด่นชัดให้เรานึกภาพนะธรรมชาตินยามรุ่งอรุณรุ่งอรุณจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสงเงินแสงทอง แสงเงินแสงทองเป็นเครื่องหมายว่ารุ่งอรุณได้เกิดขึ้นแล้วและต่อจากนั้นไปก็จะเป็นความสว่างสวยัยเพราะฉะนั้นแสงเงินแสงทองเป็นเสมือนสัญญาณของความสว่างสวัยที่จะบังเกิดขึ้น เมื่อเวลาเราพูดถึงรุ่งอรุณของชีวิตในแง่ที่เป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาโลกที่หมายถึงชีวิตที่ยังมีอายุไม่มากนะักถ้าเราพูดถึงรุ่งอรุณในความหมายที่เป็นภาษาธรรมก็หมายถึงการที่ได้บังเกิดแสงเงินแสงทองของชีวิต ชีวิตอะไรชีวิตอย่างไหนนะที่จะมีแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตก็คือชีวิตที่ดีงามชีวิตที่สว่างสวยไปด้วยปัญญาชีวิตที่ดีงามนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการที่บุคคล ได้ดำเนินชีวิตบนมันคาที่มีองค์แปดที่เราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดชีวิตที่ดีงามคือชีวิตทีเ่เจริญมั่นคงอยู่บนอริยมรรคมีองค์แปดเริ่มจากสมาธิฏิแล้วก็ไปที่สุดที่สัมมาสมาธิชีวิตที่ดีงามเช่นนี้ในทางพุทธศาสนา ท่านก็จะเปรียบว่าจะมีบุคคนิมิตรหรือสิ่งชักนำที่ท่านอุปมาเอาปวามายว่าเป็นแสงเงินแสงทองอะไรล่ะคือแสงเงินแสงทองที่เป็นบุคคนิมิตของชีวิตที่ดีงามคำตอบก็คือหนึ่งการมีมิตรที่ดีหรือว่ากัลยานามิตร สองการมีโยนิสโสมนสิการหมายถึงการคิดถูกวิธีคิดมีเหตุมีผลคิดมีระเบียบนะพราะพระุทธองค์ได้ตรัสไว้นะโดยอุปมาอุปไมว่าดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายเมื่ออาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมี แสงเงินแสงทองปรกากฏขึ้นก่อนเป็นบุพนิมิตชั้นใดการมีกัลยาณมิตรย่อมชักนำย่อมเป็นบุบพนิมิตของชีวิตที่ดีงามที่ดำเนินตามหลักอริยะอส d a n g k i k ม m a k หรือมั ก, ม, กมีองแปล นี่คือความตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งแทนที่จะตราสถึงกัลยาณมิตรท่านก็ตราสว่าโยนิโสมนสิการเป็นบุพนิมิตเป็นตัวชักนำให้เกิดอริยะอสดางคิกรรมมักหรือว่ามักมีองค์แปสองข้อความที่สรุปง่ายาก็คือว่ากัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ เป็นเสมือนแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามนะพระพุทธองค์เนี่ยที่สามารถจะทำให้ผู้คนได้บรรลุ ธ, ธรรมเปม็นจำนวนมากก็เพราะว่าพระองค์มีคุณสมบัติประการนี้อย่างโดดเด่นนอกจากเจริญใจเจริญปัญญาแล้วก็ยังช่วยให้เจริญในธรรมเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ ไม่ชักนำไปในทางเสื่อมเสียคุณธรรมของกริยนมิตรมีเจ็ดประการแต่อัตมายอม่อมาเหลือสามให้จำได้ง่ายคือเจริญใจเจริญปัญญาแล้วก็เจริญธรรมกริยนมิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่จะเป็นเด็กก็ได้จะเป็นผู้น้อยก็ได้เราไม่พึงประมาท ผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าเราหรือผู้ที่อยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าเรามีพระอาหารหันต์บางท่านบรรลุธรรมบรลุอรหัตผลได้ก็เพราะว่ามีอาจารย์เป็นเนนอย่างในสาพัตถการมีพระรูปหนึ่งชื่อพระตุโธปทิระเป็นผู้ที่แตกฉานในคำพีในปริยัตินะแต่ว่า ไม่เคยได้สนใจการปฏิบัติเวลามากราบมาฝ้าพรพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็าจะทักว่าเป็นพระไบาลานเปล่าออพระไบาลานปล่ามาแล้วเหรอพอท่านทูลรากับพระพุทธองค์ก็ทักว่าพระไบาลานเปล่ากลับแล้วหรือทักเช่นนี้จนกระทั่งพระตุโชเนี่ยเกิดความฉเฉลียวใจว่า สงสัยเป็นเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ก่อนท่านมีทิฏฐิมานะมากแต่ว่าหลังจากที่เริ่มจะรู้จักตัวเองก็แสวงหาครูบาอาจารย์แต่แสวงหาก็ไม่มีใครยอมเป็นครูบาอาจารย์เพราะว่าท่านเคยแสดงฤทธิเดชเอาไว้เยอะแต่ว่ามีเนร์ก็เลยไปหาเนน หมีคนแนะนำให้ไปหาเนรรูปหนึ่งพระตุโชนั้นไม่ทราบว่าเนรรูปนี้นี่เป็นพระริยาบุคคลเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าก็มาขอเป็นอาจารย์มาขอเรียนกับท่านสามเณนท่านนี้ก็ต้องการดูว่าพระตุโชธิละเนี่ยมีความตั้งใจในการเรียนหรือเปล่าก็ออกอุบายให้ ท่านตุโชธิละเนี่ยซึ่งกำลังครองจีวรอย่างดีเนี่ยให้ลงไปลุยโคลนท่านไปนะเพราะถือว่าครูบาอาจารย์สั่งอย่างไหนก็ไปแต่ก่อนที่จะลุยโคลนนะเนรซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็รู้ว่าพระตุโชนี่ท่านคลายทิฏฐิมานะแล้วก็เริ่มที่จะสอนท่าน จนกระทั่งในสุดพระตุโชพธิละก็สามารถจะบรรลุธรรมได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าไกรยานามิตรเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้ที่มีอายุน้อยหรือว่าอาจจะมีสถานภาพต่ํากว่าเราก็ได้บังทีพ่อแม่นี่ก็อาจจะมีลูกเป็นไกรยานามิตรก็ได้พระอาจจะมีญาติโยม เป็นกเระยะนนมิตรก็ได้นะฮะข้อสมัยก็คือว่าต้องมีใจที่เปิดกว้างแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วยประการต่อมาเรื่องโยนิโสมานสิกการอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยเพราะว่ า, เ, าเพียงแค่ได้ฟังคำเป็นภาษาบาลีเราก็ไม่รู้แล้วว่าหมายถึงอะไรนะ โดยนิสโสมนสิการเนี่ยเป็นเป็นเป็นธรรมะข้อสำคัญมากนะเพราะว่าการคิดถูกวิธีการคิดเป็นการคิดอย่างแยบคายนี่แหละที่สามารถจะทำให้บุคคลได้เกิดปัญญาพระพุทธองค์นี้เป็น แบบอย่างของผู้ที่บรรลุทำได้ก็เพราะว่ามีโยนิสโสมนัสิการแม้ว่าจะไม่มีกัลยะาณมิตรนะพระองค์ตัดสรูรชอบได้โดยพระองค์เองไม่ได้มีครูบาอาจารย์ก็เพราะว่าอํานาจแห่งโยนิสโสมนสิการที่ทําให้เกิดปัญญาคราวนี้อามารยใช้เวลาขยายความสักหน่อยเพื่อให้เห็นว่าโยนิสโสมนสิการไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเป็นสิ่งที่เรานะควรน้อมใจหรือฝึกฝนให้เกิดขึ้นแต่มจะยกตัวอย่างนะตัวอย่างทีละตัวอย่างตัวละทีละตัวอย่างแล้วเราลองถามตัว เ, เองว่าไอ้ตัวอย่างที่เทศตมาพูดเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับเราไหมและเรามองมันอย่างไรเรามีท่าทีกับมันอย่างไรถ้ า, ากว่า พวกเราได้เคยทำอย่างที่ตัวอย่างเทตมาได้ยกขึ้นมานั่นก็แสดงว่าเรามีโยนิโสมนสิกาแล้วท่านที่เราอาจะไม่รู้จักคำคำนี้มาก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำอย่างตัวอย่างเทตมาว่ามาเนี่ยก็ให้ถือว่าน่าจะลองเอาไปคิดเอาไปทำดูโยนิโสมนสิกา พระเดชพระคุณพระปรมคุณาภรณ์ได้จำแนกออกมาเป็นหลายประการนะแล้วก็แต่ละประการแต่ละประการก็มีความหมายลึกซึ้งแต่ว่าในที่นี้อาตมาก็จะไม่ยกเอาตัวอย่างที่มันยากแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้และเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตประจําวันของเราอย่างเช่นเวลาเราเจอทุกข์หรือเจออุปสรรค ถ้าเราเจอทุกข์เจะอุปสรรคแล้วเราพยายามมองหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเช่นถามว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแทนที่จะบวยวายผลักไสหรือแสดงความไม่ชอบใจถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่รู้จักคิดคือคิดแบบอริยสัจ หรือคิดแบบแก้ปัญหาคนธรรมดาเวลาเจออุปสรรคเนี่ยก็จะโวยวายใช้ความรู้สึกนำหน้าไม่ชอบทำไมต้องเป็นชั้นแต่ใครก็ตามที่พอเจอทุกเจออุปสรรคแล้วพยายามถามว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรถามว่าทำไมมากกว่าที่จะสนใจว่าใครทำ ส่วนใหญ่เวลาเจอทุกข์เจอประสาทเรามักจะถามว่าใครทําเพื่อที่เราจะได้ระบายความโกรธใส่อันนั้นไม่ใช่อยนิสงฆ์นาิกการแต่โยนิสงสมนาจิกกา ร, มาการหมายความว่าเมื่อเราเจอทุกข์เจอประสัทเรากลับมาตั้งคําถามว่าทําไม ถ, ถามว่าทําไมเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้หาทางแก้ไขแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะหาจะหาแพ้รับบาปหรือแม่ก็จะเอะอะวอยวายนั่นไม่ใช่วิถีแห่งชาวพุทธนะ หรือว่าเวลาเราถูกวิจารณ์แทนที่เราจะตอบโต้ด้วยอารมณ์เราก็พยายามมองหาว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างเช่นพิจารณาว่าที่เขาพูดนั้นจริงไหมมันมีประโยชน์หรือเปล่านะอันนี้ก็คือยนตนิสสโมนสิการอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นการคิดแบบหาประโยชน์ ส่วนใหญ่รเวลาเจอเราถูกวิจารณ์เนี่ยเราก็จะตอบโต้กลับทันทีด้วยความโกรธ ด, ด้วยความโมโหแต่เราไม่เคยพยายามที่จะมองใครควรเพื่อหาประโยชน์จากมันว่าคําวิจารณ์นั้นมีประโยชน์แค่ไหนมีข้อดีที่เราควรจะศึกษาไหมนะหรือมองว่าเออคําวิจาร์ก็ดีทั้งเป็นการฝึกใจให้เราอดกลั้นทําให้เราไม่หลงตัวเพราะว่าคนเก่งเนี่ยบางทีก็หลงตัว พอใครวิจารยก็จะโกรธก็จะโมโหแต่ลืมไปว่าไอ้คำวิจาณยนี่มันช่วยทำให้เราเนี่ยคลายความหลงตัวได้ถ้าเราไม่มีใครวิจารณ์เราก็จะคิดว่าเราเป็นเทวดามีผู้บริหารผู้สร้างเมืองโบราณท่านหนึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะท่านเป็นข้าบดีใครๆก็กลัว แต่ว่าท่านผูดไว้ประโยชน์หนึ่งดีมากท่านผู้ว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัิมงคลวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลอันนี้ก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่รู้จักมองหาประโยชน์จากคําตําหนิจากคําวิจารณ์นะอันนี้เราเรียกว่าเป็นโยนิสมนสิการอย่างหนึ่งคือการรู้จักมองหาประโยชน์จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเวลาเราเจ็บป่วยนะ เราเจ็บป่วยแทนที่เราจะท้อแท้รุ่ม อ, อ ก, กรุ่มใจเรากอบมองว่าเออยังดีนะที่ยังพอมีเลี้ยวมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยเลยนะเราต้องเร่งทำความเพียรปฏิบัติธรรมดีกว่าหรือว่าเราต้องเร่งทำงานทำการไม่ให้ข้างค้าง ล้าคนทั่วไปเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็จะเออะอะวอวายหรือก็จะยกมาเป็นข้าออ้างว่างั้นฉันต้องอนอนต่อพักต่อซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาแต่คนที่เจ็บป่วยแล้วเขามองว่าเออยังดีที่เรายังไม่ป่วยมากกว่า น, นี้เพราะฉะนั้นต้องเร่งรีบทำงานทำหน้าที่ให้แล้วเสร็จ พอต่อไปอาจจะป่วยหนักกว่า น, นี้ก็ได้อันนี้เราคิดแบบทางบวกนะคิดว่ามันยังดีที่มันไม่ไม่แย่ยไปกว่า น, นี้หรือว่าคนที่เป็นเบาหวานแทนที่จะทุกข์เพระาะโรคเบาหวานก็มองว่าเออมันก็ดีนะดีที่ไม่เป็นมะเร็งนะบางคนเป็นมะเร็ง ก็ยังมองว่าดีนะที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะไม่ใช่เป็นมะเร็งมัดลูกนะอาตมาเคยเจอเด็กอายุสิบสีนะที่เขาพูดอย่างเนี้ทันทีก็ เ, เป็นมะเร็งสมองแต่เขายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเขาบอกว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งปากมัดลูกอย่างที่ญาติเขาคนหนึ่งเคยเป็นเว่ามันปวดมากทรมานมากอันนี้เราคิดดัด ทางบวกนะก็เป็นยนิสโวมนัสการอย่างหนึ่งนะอาจารมาได้เล่าตัวอย่างมาเนี่ยเราลองดูว่าเวลาเราเจอประสัรด์แบบนี้เนี่ยเราเลือกแบบไหนเราเรามองแบบไหนเรามีปฏิกิริยาแบบไหนนะฮนะหรือว่าเวลาเราป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นมะเร็งเอาเวลาเราเห็นคนเป็นมะเร็ง คนป่วยเป็นโรคเอสคนป่วยเป็นโรคไตาวายแทนที่เราจะรับรู้เฉยๆหรือดีใจอยู่ข้างในว่าเออดีนะที่ไม่เป็นเราเรากลับเตือนตัวเองว่าสักวันก็อาจเป็นเราก็ได้ถ้าว่าใครที่คิดแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่ามีโยนิโสมนสิกการเรียกว่าเป็นการคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดารู้เท่าทันธรรมดาคือรู้ว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยง คนอื่นเขาเป็นแต่เรายังไม่เป็นก็ไม่ได้ไหมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่เป็นใครก็ตามที่เตือนตนว่าสักวันก็อาจเป็นเราพอถึงคราวเจ็บป่วยจริงๆแทนที่จะโวยวายว่าทําไมถึงต้องเป็นฉันก็จะมองว่าเออมันเป็นธรรมดาก็จะมองว่าชีวิตนี่ไม่มีอะไรแน่นอน เราเคยคิดแบบนี้บ้างหรือเปล่าถ้าคิดแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาโยน น, นิสสมนมัสิกการอีกอย่างหนึ่งเวลาเราทำงานผิดพลาดก็ไม่เก็บเอามาคิดให้รบหัวจดจ่อใส่ใจกับงานที่ทำอยู่อย่างเต็มที่ที่ผิดพลาดก็แล้วไป เราจะมาอยู่กับงานที่เราทำนะแต่ลูกโทษไม่เข้าไม่เป็นไรไม่เก็บเอามาคิดเล่นต่อไปนะส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่แต่ลู ก, ลกโทษไม่เข้านี่ก็ที่เวลาที่เหลือก็หัวเสียเลยนะเวลาเราดูฟุตบอลโลกจะเห็นเลยเนี่ยจะดูว่าใครคิดเป็นไม่คิดเป็นก็ดูตรงนี้นะ ผิดพลาดเราก็ไม่เก็บ ม, มากังวลก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอันนี้ก็โยนทิศมาจัิการนะเป็นการคิดแบบอยู่ในขณะปัจจุบันคนเรามักจะซ้าเติมตัวเองด้วยการที่ใจไม่อยู่กับปัจจุบันคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตหรือว่าเวลาเราถูกคนกินแรงเราก็เอาเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมาลบกวนจิตใจทำให้ทำงานยังไม่มีความสุข เคยมีเด็ก3คนนะเขาเอาไปออกทีวีอันเนี้ยตรมก็เคยเล่าอยู่หลายครั้งอันนี้เป็นรายการของทีวีไทยเรื่องพลเมืองเด็กเขา เ, าเด็กสคนนี่มาออกรายการโทรทัศน์ทุกอาทิตย์ตอนนี้รายการนี้ยุติแล้วเอาเด็กมาทํากิจกรรมที่เป็นเรื่องส่วนรวมแล้วก็ก็ทําถ่ายทอดเหมือนกับเป็นเรียลิตี้โชว์เพื่อจะดูว่าเด็กเขาแก้ปัญหาอย่างไรมีคราวนึงก็เอาเด็ก3คนเนี่ยซึ่งอายุประมาณสักสิสอง 1ิบ4เนี่ยขนของคือรถไฟรถไฟมันมีเวลาออกที่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบขนบังเอิญบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอนักชกเหรียญทองโอลิมปิกพวกเราคงรู้จักเขาขึ้นชกก็มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์เด็กสองคนเป็นผู้ชายก็เลยทิ้งงานไปดูโทรทัศน์ ดูการถ่ายทอดชกมวยก็เหลือเพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงขนของคนเดียวพิธีิกรก็เลยไปถามว่าคิดยังไงที่เพื่อนเขาทิ้งทิ้งเราไปเด็กคนนี้ก็พูดว่าก็เข้าใจเขานะเพราะว่าเขาเป็นแฟนสมจิตก็ให้เขาดูไปหนูก็ขนต่อไปเรื่อย พิธีกรก็ยังไม่พอใจก็เลยถามแย่ว่าแล้วหนูไม่คิดจะไปโกรธหรือไปด่าว่าเขาเหรอนะเธอตอบดีนะเด็กคนที่ตอบดีบอกว่าหนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างนั้นเด็กเธอฉลาดเธอก็เลือกที่จะเหนื่อยอย่างเดียวแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ใช่นะขนไปดา่าไปขนไปบน่นไป อันนี้เลียว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็เป็นการเหนื่อยสองต่อถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราเหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจนะงั้นถ้าทำแบบเด็กคนนี้เนี่ยก็คือโยนนิสมชนัสิการอย่างหนึ่งตัวอย่างต่อมานะฮะเราไปเที่ยวห้างเห็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ออกมามีลูกเล่นมากมาย รูปร่างก็ทันสมัยอยากได้แต่ก็ตัดสินใจไม่ซื้อเพราะเห็นว่าเครื่องเก่ายังใช้ได้ดีถึงแม้ว่ามันจะไม่สวยไม่เท่นะถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีโยนิสโสมนัสิการเรียกว่าคิดแบบเห็นคุณค่าแท้ก็คือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณค่าของมันก็คือการใช้งานนะส่วนเรื่องรูปลักษ์ เรื่องความเท่เรื่องลูกเล่นเนี่ยมันเป็นคุณค่าเทียมเป็นเรื่องเปลือกนอกนะแล้วถ้าเราเลือกให้ความสำคัญกับประโยชน์ใช้งานมากกว่าที่จะไปร่มหลงกับรูปลักษณ์ภายนอกหรือลูกเล่นซึ่งเป็นของของเสริมของของหลอกเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเรารู้จักคิดนะก็คือโยนมนิสงสิิการ คำว่ารู้จักคิดเนี่ยก็เป็นคำภาษาไทยง่ายๆที่มันแสดงว่าเรามีโยนิสโสมัสิการคือรู้ว่าอะไรเป็นคุณค่าแท้เรากินข้าวเราก็เอาประโยชน์ทางสุขภาพเป็นหลักไม่ได้เอารสชาติเป็นหลักหรือว่าไม่ได้เอาความเทค่ความโก้ว่าจะต้องกินร้านเหลาหรูๆูอาที น, นี้เนี่ย สมมติ so, มีคนเนี่ยอยากให้เครื่องเสียงราคาแพงแล้วก็โฮมเทยเตอร์ขนาดสามสิบสามสิบนิ้วนะหรือว่าห้าสิบนิ้วไม่ทราบมีหรือเปล่านะฮะถ้ามีคนอยาให้เครื่องเสียงราคาแพงแล้วก็โฮมเทอเตอร์แล้วใหญ่ๆเนี่ยให้กับเราฟรีๆนะแต่เราไม่เอาเพราะเห็นว่ามันเป็นภาระดูแลยากเรืองไฟ ที่ทามันคือทำให้เสียเวลาอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเรารู้จักคิดคือคิดแบบเห็นคุณและโทษเวลาใครให้ของอะไรเรามาเนี่ยเรามักจะคิดเรามักจะมองแต่เห็นประโยชน์เห็นแต่คุณของมันแต่เราไม่ค่อยนึกถึงโทษเท่าไหร่ว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างเวลาไปเที่ยวห้างเราก็คิดแต่เรื่องว่าเออมันมีคุณอย่างไรก็คือให้ความสุข เลืเล่นแต่เราไม่ได้นึกถึงโทษของมันของทุกอย่างมันมีคุณและโทษแม้แต่ของที่ให้เรามีฟรีเนี่ยมันก็มีโทษเป็นภาระเสียเวลาเสียเวลาในการดูแลเสียเวลาในการเสพในการใช้นี่ถ้าเรารู้จักคิดเราก็จะทิ้งมันไปได้นะ เ, เราจะปฏิเสธมันอย่างไม่รู้สึกเสียดายเลย สมมติว่าคุณมีเพื่อนที่เป็นคนพูดจาไม่สุภาพชอบมาสายคุณก็ไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนเลวขอเป็นคนแย่เพราะเขาจะมีสยดีในเรื่องอื่นก็ได้อันนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้มองคนเป็นขาวเป็นดำก็แสดงว่ารู้จักคิดคือการคิดแบบแยกแยะคนมักจะมองผู้คนเนี่ยแบบขาวและดำใครพูดจา ก, กับเราเพราะเพราะ ทำดีกับเราแล้วก็มองเขาเป็นคนดีแต่เราจะไม่ได้นึกว่าเอ้เข้าอาจจะดีแค่ดีแงน่นี้แต่แง่อื่นเขาอาจจะไม่ดีก็ได้อันนี้เรียกว่าคิดแบบแยกแยะคนที่เขาพูดจาไม่พอกับเราเขาชั่งบนแต่เราก็ไม่เหมารวมว่าเขาเป็นคนแยก่ก็าจะมีอีกหลายอย่างที่ดีก็ได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมองแบบนี้นะ เมืองไทยตอนนี้มีปัญหามาคือการมองแบบเหมารวมแต่ถ้ารู้จักมองหรือคิดแบบแยกแยะอันนี้ก็เรียกว่ามีโยนิศโวมัสิกาลคือรู้จักคิดในตอนอายุตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเพื่อชี้เห็นว่าการรู้จักคิดหรือว่าการคิดแบบโยนิสโวมัสิกาลเนี่ยมันมันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในโลกปัจจุบัน ได้อย่างมีความทุกน้อยมีความสุขมากเราสามารถที่จะเป็นสุขได้ท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมที่ล่อลอกให้เราหลงเราสามารถจะเป็นสุขได้แม้ว่าจะมีคนวิจาร์มีคนนินทาเราหรือแม้เวลาที่เราเจ็บเราป่วยเราก็ไม่จมอยู่ในความทุกข์เพราะเราสามารถที่จะเห็นประโยชน์สามารถจะคิดในแง่บวกนะะ หรือพอเรารู้เท่าทันธรรมดาเราจะไม่บ่นว่าทําไมถึงจะต้องเป็นชั้นเราจะคิดในทางตรงข้ามว่าทําไมจะเป็นฉันไม่ได้เมื่อเป็นมะเร็งอันนี้เนี่ยวิธีคิดหรือรู้จักคิดแบบนี้เนี่ยทางพุทธศาสนาเรียกว่าโย น, นิสวรมศิการและถ้าเราใช้ให้เป็นก็สามารถจะใช้ในการที่จะสร้างความเข้าใจจนเกิดปัญญา ในเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดสู้ทำที่ลึกซึ้งเพราะโยนิโสโอมัสิการแต่ในชีวิตประจำวันของเราแม้เราจะไม่ต้องการเข้าถึงนิพพานแต่เราก็สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขหรือทุกน้อยได้ถ้าว่าเราใช้โยนิโสมัสิการซึ่งมันจะช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ย พนจากความมืดได้รุ่งอรุณของชีวิตเนี่ยหมายถึงชีวิตที่พ้นจากความมืดและกําลังไปสู่ความสว่างสวยัยความมืดเนี่ยอาจจะหมายถึงความทุกข์อาจจะหมายถึงความหลงก็ได้คนที่จมอยู่ในความทุกข์ก็ถือว่ายัางมือดอยู่คนที่จมอยู่ในความหลง ก็เรียกว่าชีวิตยังอยู่ในช่วงมืดนะอย่าว่าแต่ความสว่างสวัยเลยนะแม้แต่ว่ารุ่งช่วงที่เป็นรุ่งอรุณก็ยังไม่เกิดแต่ถ้าว่าเรามีกัลยาณมิตรและโยนิโสมัสิการ <c oughs> ก็จะช่วยทำให้เราเพ้นทุกข์จากความหลงได้ในพระไตรปิฎกนี่มีตัวอย่างมากมาย ของคนที่พ้นทุกข์ได้ด้วยปัจจัยสองประการคือกาลยานามิตรและโย น, นิโสมนสิกาลตัวอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็คือกรณีนางกิสาคุตมีนางกิสาคุตมีเนี่นะเสียลูกเป็นคนที่ดีมากเลยนะแต่ว่าเมื่อมีลูกน้อยลูกก็เกิดเมียนเป็นไป เ ส, เสียลูกตั้งแต่ลูกยังมีอายุยังอยู่ในวัยที่น่ารักไม่ทราว่านางกีสาวก็จะมีจะตั้งคำถามกับกฎแห่งกรรมหรือเปล่าว่าทำไมทำความดีมาตลอดถึงต้องมาเจอข้อกรรมแบบนี้ในในเรื่องไม่มีการตัดพ้อต่อว่าความดีแต่นางเป็นทุกข์ยอมรับความตายของลูกไม่ได้ ก็หวังว่าก็คิดว่าลูกเนี่ยจะฟื้นขึ้นมานางทํายังไงก็ไปหาใครต่อใครเพื่อขอร้องให้ช่วยชุบชีวิตของลูกนางขึ้นมาแต่ไม่มีใครช่วยได้ก็เห็นอยู่ชัดๆอยู่แล้วว่าลูกนี่ตายไปแล้วมีคนนึงแนะนําให้ไปเฝ้าพระพุทธองค์เพราะเชืวว่อพระพุทธองค์เนี่ยจะช่วยนางได้ เมื่อนางกีโกีสาวโคตมีมาเฝ้าพระพุทธองค์น่าสังเกตว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้สอนไม่ได้ตัดสอนเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่พูดกับนางว่าสามารถจะช่วยนางได้สามารถจะช่วยลูกของนางได้ถ้าหากว่าไปหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายได้ยินเช่นั้นนางกีสาโคตมีก็ดีใจ ก็กระวีกรว่าอุ้มลูกแล้วก็ไปตามบ้านต่างๆคนสมัยก่อนเกิดแล้วก็ตายที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าไปบ้านไหนทุกบ้านนี้มีแม่ผักกาดหมดแต่ทุกบ้านก็มีคนตายบางทีก็เป็นคนแก่บางทีก็เป็นหนุ่มสาวบางทีก็เป็นเด็กที่ตายบ้านแล้วบ้านเล่าก็ได้ทราบว่าทุกบ้านจะมีคนตายทั้งนั้นนางกีสาโคตมีก็ได้คิดขึ้นมาว่า ตัวเองไม่ได้ทุกคนเดียวตัวเองไม่ได้สูญเสียคนเดียวคนอื่นก็สูญเสียด้วยเหมือนกันตรงนี้เองที่นางกิสาภวุิมีก็ทำใจได้ยอมรับความตายของลูกตัวเองได้สุดท้ายก็เลิกดิ้นรนที่จะหาทางฟื้นชีวิตของลูกก็เอาไปเอาไปเผ า, าแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าใหม่เห็นไหมว่าในกรณีเนี้ นางกิสาโคติมีเนี่ยสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้เพราะว่าหนึ่งมีพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรมีกุศโลบายที่ช่วยทําให้นางเนี่ยเกิดการได้คิดแต่นางกิสาโคติมีจะไม่มีทางคิดได้ถ้าขาดโยนิโสมนสิการจนกระทั่งยอมรับความจริงว่าลูกได้ตายไปแล้ว เรื่องนี้จะไม่จบนะเพราะว่าเมื่อนางกิสากรตมีได้มากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าได้เผาลูกของนางไปแล้วพระพุทธองค์แสดงธรรมแค่ไม่กี่ประโยคว่าน้ำป่าย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลชันใดมรตอยูย่อมพัดพาผู้ที่ยึดติดในลูกในสามีในทรัพย์ไปชันนั้นเท่า น, นี้เองนางกิสากรตมีก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน แต่ภายหลังก็ออกบวชจนกั้งได้เป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นตัวอย่างว่าคนเราเนี่ยสามารถจะหลุดจากทุกข์ได้เพราะว่ามีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนัสิกการเคยมีนายทหารคนหนึ่งอันนี้เรื่องนี้ก็ประมาณห0สิบเจ็ดสิบปีมาแล้วนะฮะวันหนึ่งก็เครียดมากก็เลยไปไปเฝ้า สมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรยานวงศ์ซึ่งเป็นพระประชาของในหลวงอุปัจจุบันนะสมัยก่อนนนทีเดียวมาแล้วก็บ่นว่าไม่ไหวครับไม่ไหวครับหนักเหลือเกินหนักเหลือเกินเสร็จแล้วก็เล่าเรื่องครอบครัวเล่าเรื่องลูกหลานเล่าเรื่องปัญหาชีวิตเล่าเรื่องปัญหาการทํางานพรั่งพลวงมามีแต่เรื่องที่หนักหนักหนั ก, นกคือหนักใจ สมเด็จท่านฟังอย่างเดียวนะท่านไม่เทหเลยท่านฟังอย่างเดียวเขาก็พูดโบนว่าหนากักหนกักหนกักนานทีเดียวนะยี่สิบนาทีสามสิบนาทีได้สมเด็จท่านฟังเสร็จก็บอกว่าอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปข้างในแล้วก็เสด็จเข้าไปในตำหนักแต่ก่อนที่จะเสด็จเข้าไปในตำหนักก็บอกว่าให้ทาอย่างนี้นะ นั่งคุกเข่าแล้วยื่นมือมาแล้วท่านก็เอามือเอากระดาษเนี่ยนะเอาคีบกระดาษแผ่นนี้ไว้นะในท่านเนี้ยอยู่ในท่านี้นะอยากอยากเพื่อนไปไหนนะเดี๋ยวรอฉันกลับมาก่อนแล้วท่านก็หายไปห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วสิบห้านาทีก็แล้วยี่สิบนาทีก็แล้วท่านไม่แสดงออกมาในฐานคนนั้นเนี่ย ถือนานๆนในท่านนั้นเนี่ยเป็นยังไงเมื่อยเหนื่อยกระดาษเพียงแค่แผ่นเดียวเนี่ยถือไปถือไปเริ่มเหงื่อออกแล้วมือเริ่มสัน่นก็ล้อมเมื่อไหร่สมเัยพระสังฆราชจะเสด็จกลับสักทีไม่มาจนกระทั่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้มาถึงพอสมัยพระสังฆราชเสด็จกลับมาก็ถามว่าเป็นอย่างไรเขาบอกหนักครับหนักครับหนักเหกลือเกิน พระอก็เลยตอบว่าถ้าหนักก็ปล่อยสิหนักก็วางสิถืออไว้อย่างนี้มันจะไม่หนักได้อย่างไรนะพอท่านปุถุชนี้เนี่ยนฐานคนนี้ก็ได้คิดทันทีได้คิดว่า<ม>ไอ้ที่ตัวเองเป็นทุกข์หนักหนาเนี่ยนะก็เพราะอะไรก็เพราะไปแบกเอาไว้แบกเรื่องโน้นแบกเรื่องนี้แบกสารพัดตัดบใดที่เราแบกเอาไว้ นะแม้แต่กระดาษแผ่นเดียวก็กลายเป็นของหนักได้เนี่ยสุดประสังกโลกก็เป็นกรยนมิตรของนายฐานผู้นี้และพอเขาได้คิดขึ้นมาเขาก็ปล่อยวางได้แต่บางคนเนี่ยบางทีพูดเท่านี้พูดขนาดนี้ยังยังไม่เก็ตก็มีนะเอ๊ะหมายความว่ายังไงนะเนี่ยท่านกำลังสอนอะไรเรามีนะ อันนี้เพราะว่าไม่รู้จักคิดขาดยานิโสมรณาสิกการต้องการให้ท่านพูดตรงๆเลยว่าที่ทุกเพราะยึดทุกเพราะไม่รู้จักปล่อยแต่พูดอย่างนี้ก็จะไม่ไม่เข้าใจนะเพราะว่าไม่ผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเองการเทศตรงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยนี่ผือผลที่พระพุทธองค์เนี่ยไม่สอนธรรมะแกนางกิสาคนีตรงๆว่า สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายพูดอย่างนี้นางกิสากคุตมีก็ไม่ฟังเพราะว่าใจไม่ไม่รับใจมีแต่ความทุกข์จนกระทั่งได้ไปเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองว่าใครๆเขาก็เสียชีวิตทั้งนั้นและพอได้คิดขึ้นมาปัญญาก็เกิดนั่งสําคัญมากในการที่คนเราเนี่ยจะจะพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยถ้าเรามีปัญญาสองประการนี้เนี่ยจะช่วยได้มากที่ทําให้ชีวิตเนี่ยมันหลุด จากความมืดดูจากความทุกเนี่ยแล้วก็เริ่มเห็นแสงสว่างรำไรการที่คนเราจะพ้นจากความเสื่อมของชีวิตเนี่ยหรือถลันไปในทางพลาดนี่ก็ต้องอาศัยไกลยนานมิตรด้วยเหมือนกันในหลายครั้งมีเพื่อนเขาไลา่ฟังนะฮะที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเป็นโรงเรียนซึ่งมีชื่อเสียงมากแล้วก็มีคนมา มีผู้ปกครองเนี่ยที่มีฐานะพาลูกมารับมาส่งเรื่องนี้ก็เกิดเหตุตอนประมาณตอนเย็นๆได้เวลาเลิกเรียนก็มีผู้ปกครองขับรถมารับโรงเรียนที่เขามีการจัดเอ่อจัดเลนเดียวเพื่อให้รถเนี่ยไม่ติดขัดก็มีผู้ปกครองคนหนึ่งเนี่ยแกก็ขับรถเอ่อฝ่าฝืนกฎ แทนที่จะวันเวแกก็ขับสวนเพื่อจะหาที่จอดรถเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยเรื่องหาที่จอดรถเป็นเรื่องใหญ่มากพอเพลินตรงวันวันนั้นเนี่ยมันที่ทจอดรถเพียงแค่ที่เดียวคนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขับรถแล้วก็ไปแย่งที่จอดรถได้ก็ทำให้ อีกคันหนึ่งซึ่งเกือบจะได้ที่จอดรถแล้วเนี่ยก็เลยเป็นอันไม่ได้แกก็โกรธเส่ไหมมีที่จอดรถก็มีการทะเลาะ ก, กันมีการทะเลาะ ก, กันนะปรากฏว่าคันที่เขาแย่งที่จอดรถมาได้เนี่ยก็เป็นนายทหารพอถูกด่าถูกว่าเขาโกรธนะฮะ เขาควักปืนมาจากจากตัวรถจากในรถเนี่ยเพื่อที่จะมาทำร้ายคนที่ต่อว่าเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังหันหลังให้เพิ่นตอนนั้นเนี่ยมีพนักงานขับรถของโรงเรียนนั้นอยู่เราลองนึกเสียว่าถ้าเราเป็นพนักงานคนนั้นเนี่ย เจอคนกําลังจะเอาปืนยิงต่อหน้าต่อตาเรายิงอีกคนหนึ่งนะต่อหน้า ต, ต่อตาเราจะทําอย่างไรแกก็กล้านะฮะแกก็เข้าไปเข้าไปสกิดคนที่กําลังคว้าปืนกำลังจะจ่อยิงคู่อริซึ่งเพิ่งรู้จักกันเมื่อเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็พูด น, นักงานขับรถคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่าพี่ครับพี่ครับพี่กำลังมารับลูกชายไม่ใช่หรือครับนนพี่กำลังมารับลูกไม่ใช่หรือครับพอพูดแค่นี้ผู้ชายคนนั้นได้สติเลยพอพูดถึงลูกขึ้นมาเนี่ยว่าพี่กำลังมารับลูกไม่ใช่หรือครับแกได้สติขึ้นมาเลยแล้วก็รู้ว่าแกกำลังจะทาอะไรลงไปแกตกใจเลยเรียก เ, เอาปืนไปเก็บ อารามโทสะเนี่ยมันเกิดทำให้แกเป็นฆาตกรแล้วแต่เพราะมีคนพลเมืองดีที่มาพูดเตือนไม่ได้พูดเตือนว่าพี่อย่าอย่าทำนะครับพี่อย่าทำนะครับเปล่าแต่พูดให้นึกถึงลูกพอ น, นึกถึงลูกปุ๊บเนี่ยไอ้ใจที่คิดอยากจะทำไปยิงใครเนี่ยมันหายไปเลยเพราะว่าถ้าไปยิงใครขึ้นมาเดี๋ยลูกก็เดือดร้อนนะฮะลูกไม่มีพ่อก็เป็นต้นนี่ ก็ทําให้หลุดออกมาได้นะจากเรียกว่ามือเนี่ยเรียกว่าขาข้างหนึ่งเนี่ยกำลังจะอยู่ในกําลังจะยื่นเข้าไปในคุกแล้วก็ถอนออกมาได้อันนี้ก็เป็นเพราะได้มีกัลยาณมิตรแล้วก็มีการได้สติทําให้เกิดรู้จักคิดขึ้นมาอย่าแล้วก็ตามในความเป็นจริงที่คนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยากนะที่จะมีกัลยาณมิตร มาช่วยเตือนมาช่วยสะ ก, กิดหรือว่ามาทำให้เราได้สติเราจะพึ่งกายนมิตรเพื่อที่ทำให้เราหลุดจากความทุกข์หลุดจากอบายเนี่ยบางทีมันก็ยากให้เราต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเองด้วยการมีโยนิสมมนสิการเราต้องหัดที่จะคิดเป็นรู้จักคิด และถ้าเรารู้จักคิดแล้วเนี่ยจนกระทั่งเราสามารถที่จะเห็นว่าไอ้ความทุกข์ที่มันเกาะกลุ่มชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่มีใครทำให้กับเราเลยแต่มันเป็นเราต่างหากที่ทำตัวเองคนอื่นเนี่ยเขาทำได้อย่างมากก็แค่ขโมยทรัพย์สินของเราเบียดบังเงินทองของเรา หรืออย่างมากก็ทำร้ายร่างกายของเราแต่เขาไม่สามารถจะทำร้ายจิตใจเราได้ในโลกนี้เนี่ยมีคนเดียวที่สามารถทำร้ายจิตใจเราได้คือตัวเรามะเร็งก็ไม่สามารถจะทําให้เราทุกข์ใจได้มะเร็งทําได้อย่างมากก็ทําให้เราร่างกายอ่อนแอมีความทุกข์กายแต่ทุกข์ใจเพราะมะเร็งเนี่ยมันมีแต่เรานนั้เท่านั้นแหละ ที่ทำตัวเองถ้าเรามีโยนสิสงสิการอย่างนี้เนี่ยรู้จักคิดแบบนี้เนี่ยเราจะหลุดจากความทุกข์ได้เร็วได้ง่ายขึ้นบ่อยครั้งเนี่ยเวลาใครเราประสบปัญหาในชีวิตเนี่ยเรามักจะโทษคนน้นคนนี้แต่เราลืมที่จะมาดูใจของเราและสุดท้ายเราก็ปล่อยให้ใจที่วางไว้ผิดเนี่ยทำร้ายตัวเรา แต่เมื่อจากตามที่เรารู้จักคิดนะมันก็สามารถทำให้เราหลุดจากทุกข์ได้นี่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับสามีมาสิบกว่าปีแล้ววันหนึ่งพบว่าสามีนอกใจเโกรธมากเลยนะฮะเคยคิดว่าสามีนี่ดีแต่พอรู้ความจริงเช่นนี้เนี่ยก็โกรธนะ เรียกสามีเป็นมึงเรียกตัวเองว่าเป็นกูนะแล้วก็เลิกลาต่อกันแต่ก็แกก็ยังแค้นนะรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาสิบกว่าปีชีวิตที่ดีๆสิบกว่าปีมันสูญเสียไปกับผู้ชายคนนี้ยิ่งแค้นเข้าไปใหญ่แต่เธอแค้นได้สักสองสาวันนะฮะหลังจากที่เลิกลาไปแล้วสองผ่านไปได้สองสาวันก็รู้สึกทาใจได้เธอก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นเพราะว่าปฏิบัติธรรมนะทาให้ปล่อยวางได้เร็ว แต่ว่าเธอเข้าใจผิดฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเธอไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเจ็ดวันวันแรกเท่านั้นแหละนะไอ้เรื่องสามีก็เรื่องอดีตสามีก็พูดขึ้นมาเธอโกรธมากนะโกรธที่ถูกหล อ, อกถูกลวงความเกลียดด้วยนะเดินจงกรมก็ดีเดินทำตามลมหายใจก็ดีเนี่ยหาความสงบไม่ได้เลย มันมีแต่เรื่องผู้ชายคนนี้นะวันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้ววันที่สามกันแล้วเธอที่เคยคิดว่าปล่อยวางได้เพราะว่าปฏิบัติธรรมมนที่จริงไม่ใช่นะพอใจไม่มีอะไรทํพอใจพอใจว่างไม่มีงานมีการทํเพอมาปฏิบัติธรรมมันก็ผุดขึ้นมาแต่ว่ามีวันหนึ่งวันที่ประมาณวันที่สี่เนี่ยขณะที่เธอเดินจงกรมเอามือเนี่ย ประสานไว้ที่ข้างหน้าเดินจงกรมกลับไปกลับมาวุ่นวายใจร้อนมันมีเสียงดังอยู่ในหัวตลอดเวลาแต่หลังจากที่เดินมาได้เป็นชั่วโมงเนี่ยมือเนี่ยที่ประสานกลุ่มไว้เมือ่อยพอเมื่อยเสร็จเธอก็ปล่อยมือเพราะปล่อยมือมันก็สบายไอ้ช่วงนั้นเองที่เธอได้คิดขึ้นมาทันทีแล้วว่า เมื่อปล่อยก็สบายนะที่ทุกข์เพราะไปยึดเอาไว้พอได้คิดตรงนี้เนี่ยเธอก็ปล่อยเรื่องสามีเรื่องอดีตสามีทันทีเลยเพราะเธอได้คิดว่าไอ้ที่เธอทุกข์ที่ที่เล่าร้อนนะเครียดแค้นเนี่ยเป็นเพราะใจที่ยังยึดยังไม่ยอมปล่อยมัวแต่ไปโทษสามีมัวแต่ไปโท ษ, โทษผู้ชายคนนั้นจนลืมไปว่าเป็นเพราะเราไปยึดตังหา พอปล่อยมือแล้วสบายเนี่ยใจยมันก็ปล่อยด้วยพร้อมๆกันไล่เลี่ยกันไปเลยคือปล่อยเรื่องของสามผู้ชายคนนี้ไปใจสบายครอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่เรียกว่าเขาสามารถที่จ ะ, ะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะว่าการที่เขารู้จักคิดแม้ว่าจะไม่มีกิริยานิมิตนะฮ ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันเป็นเรื่องสําคัญมากนะในการที่เราจําเป็นต้องมีโยนิสโสมนัสิกการเอาไว้นะฮะเพื่อที่จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะพบกับความสว่างสวัยอันนี้คือเหตุผลที่พระพุทธองค์เปรียบว่าโยนิสโสมนสิการก็ดีกัลยนานมิตรก็ดีเปรียบเสมือนแสงเงินแสงทองของชีวิตแต่ว่าไปแล้วเนี่ย ไม่เพียงแต่แสงเงินแสงทองในความหมายที่เป็นอุปมาอุปมาใหมยเท่านั้นที่ทําให้คนเราสามารถจะหลุดจากทุกข์ได้บางทีแสงเงินแสงทองจริงๆเนี่ยก็ช่วยได้นะฮะแสงเงินแสงทองมีดีเจคนหนึ่งชื่อดังสมัยรักสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยแกมีทุกอย่างในชีวิตเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปรูปร่างหน้าตาสติปัญญาแล้วก็อาชีพการงานแต่ว่า อาพัพเรื่องคู่ครองนะก็ประสบความล้มเหลวในชีวิตคู่มาหลายครั้งครั้งสุดท้ายนี่ก็ย่าแย่มากกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจกินเหล้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนสุดท้ายคิดฆ่าตัวตายห้องพักของเธอเนี่ยมันเป็นเป็นคอนโดอยู่บนชั้นเก้าตอนที่เธอคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะ มันก็เช้ามืดพอดีขณะที่เธอเดินออกมาที่ระเบียงแล้วก็เตรียมนะเตรียมจะกระโดดลงมาเนี่ยอันนี้ที่กรุงเทพนะเพื่อนตาเนี่ยมองไปไกลๆที่ขอบฟ้าเนี่ยมันเห็นแสงเงินแสงทองพอเห็นแสงเงินแสงทองขึ้นมาที่ขอบฟ้าเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาเลยว่าชีวิตเนี่ย มันไม่มืดไปตลอดหรอกแม้แต่ความมืดหรือราตรีเนี่ยมันก็มีที่สุดของมันไม่ช้าก็เล้วก็ต้องมีแสงเงินแสงทองผุดขึ้นมาจากขอบฟ้าชีวิตเธอก็เหมือนกันแม้จะทุกข์แค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่สามารถที่จะสว่างสวัยขึ้นมาได้พอคิดเช่นนี้เนี่ยเกิดความหวังขึ้นมาเลยนะเลิกเลย ให้ความคิดที่จะฆ่าตัวตายหมดไปเลยแล้วเธอกลับมาสู้ชีวิตใหม่และตอนหลังก็ชีวิตก็กลับมาเรียกว่าดีกว่าเดิมนะเพราะว่าหานมาสนใจธรรมะแล้วก็มีบทเรียนมีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นประสบการณ์นี้คล้ายๆกับศิลปินคนหนึ่งนะในช่วงเศรษฐตกิจตกต่ำา IMF เนี่ยชีวิตแกแย่มากนะเป็นหนี้เป็นสินก็คิดฆ่าตัวตายจะโดดตึกมาเหมือนกันเพื่นตอนที่จะโดดตึกเนี่ย ลงมองลงมาข้างล่างเห็นว่าต ร, ตรงจุดที่ตัวเองจะโดดลงไปเนี่ยมันมีมันมีรถ ม, ม, มอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่คนสองคนกำลังคุยกันอยู่ก็นึกถึงคำของแม่ว่าแม่บอกว่าจะทำอะไรอย่าให้คนเดือดร้อนแกก็เลยคิดว่าไหนๆจะฆ่าตัวตายแล้วก็อย่าให้ตกลงมาทับสองคนที่ตายก็แล้วกันก็เลยขยับขยับที่เพื่อที่จะโดดลงมาไม่ให้ตกลงมาทับสองคนนี้ ให้ตอนขยบที่เนี่ยตาก็เหลือบไปเห็นทองฟ้าเห็นแสงแสงเงินแสงทองผุดขึ้นมามันเกิดความหวังขึ้นมาทันทีเลยนะมนุษย์เรานี่แปลกนี่พอเวลาทุกๆมากๆเนี่ยชุดมันดำมืดเป็นหมอนเนี่ยพอไปเห็นแสงินแสงทองเนี่ยมันมีความหวังนะเปลี่ยนใจฮะอาตมาเวลาทอทอเนี่ยเวลาตื่นเช้าขึ้นมาเช้าๆเนี่ยเห็นแสงเงินแสงทองเนี่นนยนอกจากจะรู้สึกว่าแสงเงินแสงทองมันสวยแล้วเนี่ย มันยังรู้สึกว่ามันให้ความหวังอะไรกับชีวิตทําให้รู้สึกมีพลังขึ้นมาวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่ตื่นเช้าอยู่เสมอโดยเฉพาะถ้าตื่นเช้ามืดนะอาตมาว่าได้กําไรนะใครที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ฟ้าสว่างเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าขัดทุนถ้าเราลองเป็นคนที่ตื่นแต่เช้ามดืดและได้มีโอกาสได้เห็นแสงเงินแสงทองขุดขึ้นมาจากขอฟ้าเนี่ย นอกจากมันเราจะได้สัมผัสกับสิ่งที่สวยงามแล้วใครจะไปรู้มันอาจจะให้ความหวังให้กำลังใจกับเราที่ทำให้เราพ้นทุกข์หรือทำให้เราเกิดปัญญาได้อรหมาก็ได้พูดถึงการพ้นจากความทุกข์นะพ้นจากความตกต่ำในชีวิตเพราะการมีกัลยาณมิตรเพราะการมีโยนิโสมนสิกการแต่อย่างที่บอกไว้แล้วว่า เวลาพูดถึงรุ่งอรุณของชีวิตเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงชีวิตที่พ้นจากความมืดอันได้แก่ความทุกข์เท่านั้นแต่สิ่งสํำคัญก่อนห้าคือว่าชีวิตที่พ้นจากความมืดอันเนื่องมาจากโมหะครอมงำนะแม้คนที่ไม่มีความทุกข์อยู่เลยตอนนี้ทุกอย่างสบายลาบเรื่นไปหมดแต่เราอย่าประมาทเพราะว่าชีวิตเราอาจจะยังจมอยู่ในโมหะก็ได้ ก็เรียกาเป็นความมืดสีขาวเป็นความมืดสีขาวตราบใดที่เรายังไม่มีสติปัญญาเข้าใจในธรรมะเข้าใจในอริยสัจสี่เราก็ยังชลาดใจไม่ได้เพราะว่าในที่สุดก็อาจจะ ตกหลุมแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความหลงความไม่รู้เพราะอาวิชชาซึ่งจะทำให้เราตกไปในทางเสื่อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่คนเรานะจะจะมีชีวิตที่สุขสบายดีแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าไว้วางใจตราบใดที่เรายัางไม่มีสติปัญญา รู้จักจิตใจรู้จักเหตุแห่งทุกข์ในใจของตัวอย่างแท้จริงตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยการฝึกฝนฝึกปลือที่จริงในในในคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยท่านได้พูดไว้สองสองแห่งได้พูดไว้อีกแห่งหนึ่งว่าแสงเงินแสงทองที่จะเป็นบุพพนิมิตของชีวิตที่ดีงามเนี่ย นอกจากกรยนตมิตรและโยนิสโสมนัสิการแล้วยังมีอีก5านะก็คือหนึ่งการถึงพร้อมด้วยศีลศีล ส, สัมปทาการถึงพร้อมด้วยความใฝ่รู้นะฉันทะสัมปทาการฝึกตนให้ถึงพร้อมเรียกว่าอัตตะสัมปทาการมีทิฏฐิถูกต้อง ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิที่ถูกต้องเรียกว่าทิฏฐิสัมปทาและความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอัปปามาทะสัมปทาอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการฝึกตนนะไม่ใช่เพียงแค่มีกัลยาณมิตรเท่านั้นไม่ใช่แค่มีการรู้จักคิดเท่านั้นนะแต่ว่าต้องมีศีลนะต้องมีการฝึกฝนตนต้องมีความใฝ่รู้ ต้องพยายามทำให้เกิดทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องและที่สำคัญไม่น้อยคือความไม่ประมาทต่าเรามีอีกห้าอย่างเข้ามาเสริมเนี่ยมันจะช่วยทำให้เป็นบาดฐานของการพาชีวิตให้ออกจากโมหะเป็นเสมือนแสงทองที่จะขับความมืดออกไปและ พาใจของเราให้ได้พบกับความสว่างสวนั้นะจึงจำเป็นที่เราต้องให้ความสำคัญนะของการฝึกอบรมจิตใจฝึกอบรมกายวาจาด้วยนะมีไตรยนิดก็ดีแล้วรู้จักคิดก็ดีแล้วแต่ต้องฝึก ฝึกทั้งกายฝึกฝนทั้งจิตฝึกฝนทั้งปัญญานะีโดยเพราะภาวนานะที่เรียกว่าจิตภาวนาปัญญาภาวนาถ้าเราฝึกจนกระทั่งรู้กายรู้ใจจนเห็นความเป็นจริงของกายและใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนสามารถจะเห็นธรรมชาติ ของใจจ ร, งจริงๆไม่ใช่แค่คิดเอานะโดียนิสโสมนสิกาเนี่ยมันยังเป็นในเรื่องของการใช้ความคิดนะซึ่งไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องของการคิดแบบตรร ก, กะหรือเหตุผลแต่ว่าเป็นยังเป็นเรื่องของการคิดอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นเห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นด้วยสติและจงกระทั่ง เห็นด้วยปัญญาจกนกระทั่งรู้ว่าไอ้ที่ทุก์เนี่ยมันเป็นกายและใจที่ทุกไม่ใช่เราทุกแต่ทันทีที่ไปยึดว่ากายนี้เป็นเราทันทีที่ไปยึดว่าใจนี้เป็นเราเราทุกขึ้นมานั <c oughs> ่นก็กลายเป็นการถลังเข้าไปในความมืดถลันไปในความมืดแห่งทุกขความมืดแห่งโมหะ วันนั้นเนี่ยเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าชีวิตของเรานะจะสามารถเจริญก้าวหน้าไปสู่ความสว่างสวยเหมือนกับอาทิตย์อุทัยนะจะไม่ใช่หยุดแค่รุ่งอรุณหรือหยุดแค่ได้ประสบได้พบเห็นแสงเงินแสงทองของชีวิตเท่านั้น จะกเก้าไปมากกว่านั้นรุ่งอรุณของชีวิตนะเป็นเพียงแค่ช่วงเปลี่ยนผ่านเราอย่าพอใจเพียงเท่านั้นแต่เร า, าต้องกล้าไปถึงช่วงที่สำคัญกว่านั้นคือการที่เกิดปัญญาสว่างสวยัยเหมือนอาทิตยามอุทัยแต่สำหรับคนจุนวนไม่น้อยแม้แต่รุ่งอรุณของชีวิตในความหมายที่ว่า ก็ยังไม่ประสบพบเห็นเพราะว่าชีวิตนั้นเนี่ยยังอยู่ในช่วงเรียกว่ายังมืดอยู่หรือแค่เช้ามืดเท่านั้นถ้าว่าเราตรหนักถึงสภาวะจิตใจอย่างนี้ก็อย่าได้ประมาทนะก็ต้องเร่งทำความเพียรแม้แต่แม้ว่าสังขารของเราอาจจะอยู่ในช่วงบ่ายในช่วงพบค่ำแล้วแต่ใจ หรือสภาวะทางธรรมอาจจะยังอยู่ในช่วงของความมืดเช้ามืดนะหรือแค่ยามสองเท่านั้นแหละนะแม้แต่ยามสามก็ยังไม่ยังไม่ไม่ถึงได้ซ้ำอันนี้ก็ต้องเร่งทำความเพียรนะก็อาตมาก็ใช้เวลามาพอสมควรนะก็หวังว่าพวกเราจะได้พบกับแสงเงินแสงทอง เพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยได้ออกจากความมืดทั้งที่เป็นความทุกข์สิ้นหวังแล้วก็เป็นโมหะที่ครอมงำก็อยได้พบกับความสว่างสวัยของชีวิตแล้วใครที่ยังมืดอยู่ก็คอยได้พบกับรุ่งอรุณแล้วใครที่อยู่ในช่วงรุ่งอรุณแล้วก็คอยได้ก้าวสู่ยามอาทิตย์ุไทย คือความสว่างสวยด้วยปัญญาเป็นอิสระจากความทุกข์สิ้นเชิงอาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ขออยุติการบรรยา